จเจริญพรนนะญาติโยมทั้งหลายวันนี้พวกเรายืนหยัดต่อสู้ยาวนานตั้งแต่เช้าจนบ่ายแล้วยังไม่ถอยนะใจถึงจริงๆนักปฏิบัติต้องใจถึงนะหลวงพ่อใจไม่ถึงเท่ารุ่นกลูกบาอาจารย์แต่ก่อนหรอกแต่ก่อนท่านทุดงเจอเสือเจอช้างมารุ่นเราเสือช้างมันไม่ค่อยมีเจอแต่อยู่ในกรงไม่น่ากลัวอะไรนักปฏิบัติรุ่นหลังก็เลย ค่อยๆอ่อนแอลงเรื่อยๆนะความสุขความสบายความสะดวกมันมากนะการปฏิบัติมันก็เลยชักจะหย่อนหย่อนไปนะัป้นอยู่ที่จิตใจของพวกเร า, นะาศาสนาเวลานี้รอดแรกมากแล้วนะาศาสนานะมันอยู่ที่พวกเราชาวพุทธนี่แหละจะต้องช่วยกันรักษ า, าศาสนาไวนะ้อย่างการที่เรามาช่วยกันสร้างสถานปฏิบัติธรรมก็เป็นวิธีการหนึ่งนะในการที่จะรักษ า, าศาสนาไว้ แต่การรักษาศาสนาที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการที่เราต้องฝึกปฏิบัติให้ได้เพราะศาสนาตัวจริงอยู่ในใจเราไม่ได้อยู่ที่วัดนะแล้วเราต้องหาศาสนาหาธรรมะตัวจริงในใจของเราให้ได้แต่ละคนแต่ละคนจิตใจของเรานี่แหละคือที่ที่รองรับธรรมะที่ดีที่สุดลําพังคัมภีร์ทั้งหลายตู้ไตรปิฎกนะวัดวารามอะไรนี่เป็นแค่เครื่องอาศัยตัวศาสนาเนื้อแท้นี่ก็คือตัวสัมมาทิฏฐินั่นเอง ทำยังไงเราจะสร้างสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องให้เกิดขึ้นในใจเราได้เนี่ยตัวสําคัญมากสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกเห็นถูกเรื่องอะไรเห็นถะูกว่าความทุกข์เป็นยังไงเหตุให้เกิดทุกข์เป็นยังไงนะความพ้นทุกข์เป็นยังไงวิธีปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์เป็นยังไงถ้าเราเห็นถูกเหล่านี้แล้วก็ศาสนาจะไม่สูญหายไปไหนเลยแต่ถ้าเราไม่มีความเข้าใจในอริยร ส, สัจสี่เนี่ยศาสนาจะค่อยๆกลอนไปกนะลอนไปเวลาเล็กเวล า, كر, ว น, า, كر, ว น, า كر, น้อย ในที่สุดจะเหลือแต่รูปแบบนะเหลือแต่วัดวารามแต่หาตัวเนื้อแท้ของธรรมะไม่เจอเพราะนั้นหลวงพ่อเรียกร้องนะไม่เรียกร้องให้ช่วยกันบริจาคหรอกนะไม่เคยเรียกอะไรนะแต่เรียกร้องให้พวกเราช่วยกันภาวนานะมาภาวนาเป็นเพื่อนกันนะวิธีภาวนาไม่มีอะไรมากเมื่อกี้ท่านจันตันท่านก็พูดแล้วต้งมีสตินะมีสติรู้ลงไปที่กายรู้ลงไปที่ใจนะรู้จนเห็นความจริงกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกรู้ลงไปเรื่อย ไอ้นะตัวที่กําลังนั่งอยู่ตอนนี้นะทําความรู้สึกขึ้นมาไอ้ตัวที่กําลังนั่งตอนนี้นะเป็นแค่วัตถุเป็นรูปธรรมเป็นก้อนธาตุอันหนึง่งที่ใจเราไปรู้มันเข้าพยายามแยกกายกับใจออกจากกันนะน лушай, ไอ<ป>นะ้ตัวที่กําลังนั่งไอ้ตัวที่กําลังคัดไปพัดมานะตัวที่กําลังยิ้มไปยิ้มมาเนี่ยถูกทักเรื่องพัดเลยยิ้มเลยนะนะตัวนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งคอยดูลงไปที่กายอย่างนี้ดูจนเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเรา ต่อไปก็ดูเข้าไปที่จิตที่ใจของเราเวลากิเลสมันเกิดคอยรู้ทันเราจะเห็นเลยว่าจิตใจก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเฝ้ารู้อยู่แค่นี้แหละนะดูไปจิตใจมีแต่ความไม่เที่ยงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดูไปมากเข้ามากเข้าบางคนดู7วัน7วันมีนะบางคนดู7เดือน7เดือนก็มีจริงๆนะบางคน7ปีนะหลายคนอาจจะ7ชาตินะเชาติก็ต้องสู้นะ หลวงพ่อเคยรู้จักครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านไม่สบายไปเยี่ยมท่านที่โรงพยาบาลนะแล้วคุยสนทนาธรรมะ ก, กับท่านนะท่านน้ำตาคลอเลยนะท่านบอกว่าท่านอยู่กับหลวงปู่มั่นมนาะรุ่นเดียวกันนะ่ะพระพนทุทูปไปหมดแล้วนะท่านไม่ได้อะไรเลยนะแต่ท่านไม่ถอยนะอีกร้อยชาติท่านก็จะทำนะไม่ท้อถอยนี่จิตใจนักปฏิบัติต้องใจถึงถึงอย่างนี้นะไม่ใช่ปฏิบัติแล้วก็เหยาะแยเหยาะแยะนะคอยแต่จะต้องให้ครูบาอาจารย์ปลอบ หลวงพ่อไม่ปลอบนะพรวอนหลวงพ่อเรียนมาเนี่ยหลวงพ่อไม่เคยให้ครูบาอาจารย์มาปลอบหลวงพ่อเลยไม่เคยให้อ่อนวอนด้วยว่าปฏิบัติหน้าได้โปรดเธอนะไม่เคยเลยมีแต่ว่าอุตสาหภาคเพียนไปไกลแสนไกลก็ไปนะแต่ก่อนไปลําบากไม่เหมือนยุคนี้หรอกครูบาอาจารย์อยู่ใกล้ๆแต่ก่อนอยู่อีสานไปลําบากเดินทางก็ใช้เวลาเป็นวันๆบางทีต้องสองวันนี่รุ่นเรานี่ง่ายแล้วนะแต่ก่อนท่านหาครูบาอาจารย์เป็นเดือนเดือน เดินกันรุ่นเราก็ง่ายขึ้นแต่ว่าหลวงพ่อไปเรียนธรรมะแล้วหลวงพ่อไม่เคยถอยเลยตั้งแต่ไปหาหลวงกู่ดูลท่านสั่งบอกว่าให้ดูจิตตัวเองไม่เคยเลิกดูจิตตัวเองตั้งแต่วันนั้นดูเรื่อยๆนะดูจนมันไม่มีอะไรจะดูดูเข้าไปเรื่อยๆนะมีอะไรก็รู้ไปอย่างนั้นแหละรู้ไปตามที่มันเป็นดูไปเรื่อยๆนะส่วนดูแล้วเป็นยังไงอันนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวนะพวกเรากไ็ไปดูเอาเอง ดูไปจนวันหนึ่งเห็นนะจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกถ้าจิตไม่ใช่เราแล้วขันห้าจะไม่ใช่เราเลยเพราะขันห้าที่เรายึดเหนียวแน่นที่สุดว่าเป็นตัวเราก็คือจิตนั่นเองนะเบื้องต้นเราดูกายก่อนก็ได้นะดูกายก่อนนะบางคนต้องดูกายก่อนดูจิตตรงๆไม่ได้ถ้าจะดูกายก็ทําสมาธิแล้วทำสมาธิแล้วก็มาดูกายให้เห็นมันเป็นก้อนาธาตุก้อนขันนะการดูกายเนี่ยดูให้เกิดสติปัญญาหลายแบบ เบื้องต้นดูเป็นปฏิกูลเป็นอาสุภะก่อนเป็นของสกปรกนะไม่สวยไม่งามอันนี้ดูอย่างนี้แล้วจิตใจสงบได้สมถะเบื้องกลางดูให้เห็นเลยนะมันเป็นธาตุเป็นขันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเบื้องปลายดูลงไปเห็นเป็นความว่างเปล่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไรการดูดูกายก็มีสเต็ปมีสเต็ปของปัญญาส่วนการดูจิตเราก็จะเห็นเลยจิตมันเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆจิตไม่ใช่ตัวเรา เบื้องต้นก็จะเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายก็จะเห็นว่าเราแอบไปยึดถือจิตไว้เจออีกทั่งปัญญาแจ่มแจ้งก็จะปล่อยวางความยึดถือจิตเราจะปล่อยวางความยึดถือจิตได้ต่อเมื่อเราเห็นว่าจิตนี้ไม่เที่ยงจิตนี้เป็นทุกข์จิตนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้าตราบใดที่เรายังเห็นว่าจิตเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเราจะปล่อยวางไม่ได้ถ้าเม <c> ื<ๆ>่อไร่เห็นว่าจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆถึงจะปล่อยวางได้เพราะพระพุทธเจ้าสอนบอกขันห้าเป็นทุกข์ล้วนๆ ถ้าไม่ได้สอนว่าเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างพวกเรานักปฏิบัติรู้สึกไหมกายนี้ยังเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตของเราเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างไม่ตรงกับคําสอนของพระพุทธเจ้านะเราจะรู้สึกว่าเราก็เข้าใจแล้วนะธรรมะเอาเข้าจริงไม่เข้าใจหรอกเพราะเรายังเห็นว่ากายนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างจิตนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างทั้งๆที่ท่านบอกว่าขันห้าเป็นทุกข์ถ้าเรายังเห็นว่าทุกข์บ้างสุขบ้างเราก็จะเลือกเอาสุขเราจะพยายามดิ้นรนหนีความทุกข์จิตใจจะไม่หมดความปรุงแต่ง แต่ถ้าเมื่อไรสติปัญญาแก่รอบจริงๆนะเห็นว่ากายนี้ทุกข์ล้วนๆจิตนี้ทุกข์ล้วนๆนะมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะมีแต่ทุกข์ล้วนๆในสุดใจจะยอมปล่อยวางความพ้นทุกข์ที่แท้จริงเกิดจากความปล่อยวางน ะ, huh ะเกิดจากความปล่อยวางไม่ใช่เกิดจากการบังคับจิตให้ดีบังคับจิตให้สงบบังคับจิตให้สุขจิตเป็นของไม่เที่ยงจะทําให้เที่ยงไม่ได้จิตเป็นทุกข์จะทําให้เป็นสุขไม่ได้จิตเป็นอนัตตาจะสั่งตามใจชอบไม่ได้ดูไปจนเห็นความจริง ศาสนาก็คือตัวความจริงนั่นเองความจริงอยู่ที่กายที่ใจของเรานะวันนี้หลวงพ่อเทศแค่นี้พอนะพวกเราสบักสะบอมเต็มทีล่นะนี่ตอนหลวงพ่อเล่านิดหนึ่งนะหลวงพ่อแต่เดิมอยู่ที่เมืองกานะไม่เคยคิดจะย้ายนะคิดจะอยู่ที่นั่นไปเรื่อยๆนะคุณพิตินาถนะัพัฒลุงเนี่ยนะหลานเหลนของพยาพัฒรลุงคังเหล็กนะพยาพัฒนลุงคังเหล็กนี่คนสมัยพระเจ้าตากนะ เป็นพญาเป็นเจ้าเมืองพัทลุงนะวันหนึ่งมาประชุมที่ทนบุรีนะพระเจ้าตากก็ท่านก็ถามบอกว่าตัวกูเนี่ยจะไปพระนิพพานแล้วใครจะตามกูไปบ้างขุนะนางสะอึกเลยนะขืนบอกว่าตามเดี๋ยวท่านฆ่าทิ้งอะ่นะไม่มีใครกล้าพูดนะถ้าไม่พูดเลยท่านก็ว่าไม่จงรักทักดีก็ตายอีกแหลนะถ้าพูดก็ตายนะนี่พญาพัทลุงกล้าหาญก็บอกว่า ค่าพระองค์ทั้งหมดนี้จะตามไปแต่ขนาดนี้บุญบารมียังไม่ถึงให้พระองค์ไปก่อนนะนะพักพวกเลยเรียกว่าพญาพัทลุงคางเหล็กนะนี่หลวงพ่อเล่าเพื่อแก้งง่วงนะนะแก้งง่วงเนี่ยบรรพรุษของคุณทิตินาศเนี่ยนะคือพญาพัทลุงคางเหล็กนะเดี๋ยวนี้จะคางเหล็กหรือแข้งเหล็กนะก็ยังไม่แน่นะถึงรุ่นเหรนของเหลนลนะเนี่ยก็พยายามไปอ้อนวอนหลวงพ่อนะบอกว่าขอสร้างวัดถวาย หลวงพ่อบอกไม่เอาหลวงพ่ออยากให้ลูกศิษย์ภาวนาไม่ได้อยากให้ลูกศิษย์สร้างวัดเดไปอ้อนวอนหลวงพ่อนะทุติยำปีแต่ตียำปีก็ไม่ยอมนะใน <c oughs> สุดเห็นว่าหลวงพ่อไม่ยอมย้ายจริงๆนะก็ไปซื้อที่ดินไว้หน้าวัดหลวงพ่อต่อมาครูบาอาจารย์นะบอกชื่อท่านก็ได้นะเดี๋ยวนี้ชื่อท่านไม่เป็นความลับแล้วเขารู้จักกันทั้งประเทศแล้วนะ <c oughs> คือพ่อของเอ๋นี่ยหลวงพ่อมนตรีท่านก็บอกหลวงพ่อให้สร้างวัดใหม่ได้แล้ หลวงพ่อก็เอจะอยู่ที่ไหนดีอะไรเงี้ยคิดที่ตรงนั้นท่านก็ว่าไม่ดีตรงนี้ท่านก็ไม่ดีนะหลวงพ่อไปถามท่านเมื่อสิบสองสิงหาปีกลายนี้นะไปถามท่านสิบสี่สิงหาสิบสี่สิงหาไปถามท่านนะว่าตกลงจะให้ผมอยู่ที่ไหนว่ามาเลยนะบอกมาเลยดีกว่าไม่ต้องให้เราเดานะท่านบอกว่าหลวงพี่อยากให้คุณไปอยู่ชนบุรีหลวงพ่อก็เรียนท่านเลยนะท่านจะให้อยู่ชนบุรีหลวงพ่อก็จะไปนะจะไปอยู่ชนบุรีไม่มีต่อรองนะ นักปฏิบัติใจถึงหน่อยนะแต่ท่านบอกไปอยู่นาราธิวาสคงต้องต่อรองบ้างนี่ท่านบอกให้อยู่ชนบุรีเอาสินะไม่ว่าอะไรนะไปอยู่ชนบุรีท่านก็มอบหมายเลยบอกเนี่ยที่ตีนานเนี่ยนะพยายามขอมานานแล้วแล้วบ้านก็อยู่เมืองชนนะท่านก็เลยมอบให้เป็นคนเป็นตัวตั้งตัวตีนะในการสร้างวัดแต่ไม่ได้สร้างคนเดียวหรอกนะสร้างคนเดียวไม่ได้หรอกนะพวกเราจํานวนมากก็เข้ามาช่วยกัน หลายคนออกเงินอย่างคุณทิพต์นี่ออกมาหลายล้านศาลาหลังนี้นี่เงินส่วนใหญ่ของคุณทิพต์เขานะรั้วนี่ส่วนใหญ่ของคุณปฏิเวศอะไรเงี้ยนะหลายคนมาช่วยกันสร้าง น, ะนี่หลวงพ่อก็ไม่ได้ทำงานคนเดียวนะที่นี่เราทำงานต้องทำเป็นทีมลำพังหลวงพ่อคนเดียวดูแลได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ขนาดนี้หรอกนะสร้างก็ไม่ได้เร็วขนาดนี้ถ้าให้หลวงพ่อสร้างนั่นก็คงไปอีกสิบปียังไม่เสร็จหรอกนะค่อยๆทาไปเรื่อยๆ จนะปรากฏว่าเขาใช้เวลาสร้างไม่กี่เดือนนะก็เสร็จขนาดนี้แล้วใช้งานได้ละวเจ็ดแปเดือนนะทําได้ขนาดนี้ตั้งแต่หาที่ดินนะลงมือกอ่อสร้างจริงๆรู้สึกจะพฤศจิการนะนะไม่กี่เดือนหรอกก็ทําได้ขนาดนี้นะทําไมทําได้ขนาดนี้เพราะมีคนช่วยกันเยอะนะส่วนหนึ่งออกเงินส่วนหนึ่งออกแรง น, ะนี่หลวงพ่อก็มาคิดดูว่าลําพังที่จะบริหารที่นี่ต่อไปเนี่ยหลวงพ่อทําคนเดียวไม่ไหวต้องทําเป็นทีม หลวงพ่อก็เลยตั้งทีมงานวันนี้เลยประกาศชื่อทีมงานให้ฟังนะทีมงานของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อคัดเลือกอย่างเป็นธรรมตามความเห็นของหลวงพ่อนะ <c oughs> ต้องบอกก่อนเป็นธรรมแบบไหนนะหลวงพ่อมาคิดอย่างนี้นะถ้าหลวงพ่อไปคัดเลือกว่าใครจ่ายเงินเยอะหลวงพ่อก็เลือกเป็นกรรม ก, การอันนี้มันไม่ยุติธรรมหรอกบางคนไม่ค่อยมีเงินนะนะบางคนมีเงินน้อยแต่ว่ามีศรัทธาแก่กล้าหนะลวงพ่อกำมาดูว่าใครล่ะที่ทุ่มเทเหนื่อยยาก นะออกแรงนะนะออกแรงมากคนจนหรือคนรวยก็ออกแรงมากมากได้เหมือนกันนะนี่หลวงพ่อก็เลยเลือกพวกที่ออกแรงมากมาได้12คนนะสองคนนี่ล้วนแต่ทำงานหามล่งหามค่ำนะจนถึงเมื่อวานตอนค่ำยังนั่งเกลี่ยหินเกล็ดกันอยู่เลยนะเพื่อให้พวกเรามีเต็นท์เอาไว้ทานข้าวกันนะพวกนี้ลาบากกลักกรรมมากบางคนนะมีบริษัทนะไม่รู้บริษัทเจ๊งหรื อ, อยังนะ พ่อมืองแต่อยู่วัดนะมาช่วยหลวงพ่อทางานนะอย่างคุณพิชานนี่นะเป็นคนทําระบบน้ําประปาทั้งหมดนะในวัดนะทําวันไหนน้าไม่ไหลคุณพิชานมาเฝ้านะตันะ้งแต่เช้ายันค่ำค่ํายันดึกนะดึกยันเกือบเกือบสว่างนะหรือถึงสว่างบ้างไหมไม่ถึงนะแค่นั้นก็รอดได้แล้วนะหลวงพ่อไล่ถึงจะกลับนะต้องไล่สามครั้งถึงจะกลับนะ เพราะฉะนั้นคนที่ช่วยหลวงพ่อออกแรงมามากๆนะคนแรกเลยก็คือคุณธนานะรุจีพัฒนกุลอยู่ไหมอยู่ไหมอ้อเชิญเชิญมารับใบสุทธิหน่อยไม่ใช่สตังค์นะ <c oughs> คนที่สองอุบาสิกาอารนุษยนะ์สันตยากรนับตะคุณคุณๆนะคนนี้ คนที่สามคุณทิตินาถนี่หลานพยาพัทธลุงคางเหล็กนะแต่ตอนนี้นิ้วเดี้ยงไปแล้วนะเพราะพยายามไปปรับตู้นะพยายามตู้นะประตูตู้หล่นใส่เท้านะคุณสมศักดิ์มาไหมคุณสมศักดิ์สมศักดิ์อัศาวะศรีวรนันนะ์ไม่มาไว้ก่อนนะคุณพิชานนะมาหาชนกชื่อคล้ายๆมะม่วงนะ <c oughs> คุณธไทยทิพย์ ไม่อยู่นะไปสเปนคุณสวรรณีเตงอํานวยนี่หลวงพ่อให้ตามวามชารานะเดี๋ยวก็รู้ว่าใครเด็กที่สุดคุณอภิชาตินะอัศาวะเรืองชยัยนะคุณปฏิเวทสริษอัตรกรนะคุณปฏิเวทเนี่ยช่วยสร้างวัดสัหัวงอกเลยทักนะพวกด่าวะทำรัว้วนะ เสาปูนก็ชา้าแผ่นสำเร็จก็ช้านะอย่าเครียดนะบอกนี่เสียสามล้านหรือ30สิบล้านอะ่นะไม่กลุ้มใจเท่ากับส่งรั้วให้วัดไม่ทันรันะ้วของวัดเลยเป็นซาแลนนะต่อไปมันจะเปลี่ยนเป็นปูนนะคุณสุภาพร อ, อัศวะเรืองชัยนี่ผู้หญิงเหล็กทั้งนั้นเลยนะทีมนี้นะคุณอาตินุชจตุปาริสุทธ์อาคุณชยาธรเตชาภไาพบูน หลวงพ่อตั้งไปอย่างนั้นแหละรู้ไหมหลวงพ่อจะเอาไว้หลอกใช้นะเดี๋ยวมีกำลังใจนะเวลาเรามีทุระอะไรก็มาช่วยกันอีกนะ <c oughs> เอาละวันนี้สมควรแก่เวลานะอาขอให้ญาติโยมรับพรนะ <c oughs> วันนี้ได้รับพรจากพระหลายองค์แล้วนะ <c oughs> ยถาวาริวหาปุราปาริปุเรนตีสาคารังเอวามวายโตทินังเปตานังวุปกะ ป, ะปะติ อิชิตังปจิตังตุมหังคิปะเมวาสมิจตุสัเพเคปูเรนตูสังกปาจันโทปันนรโสยทามณิโชติราโสยทาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพารโกวินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาธนาศีลิสนิจังอุทธ า, ยายัจายโนจัตตารุธรรมวันตีอายุวันโนสุขัง พังพวตุสัพพมังคลังรักขันตุสั พ, พเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนสดาโสธีพวันตุเตหลวงพ่ออนุโมทนากับทุกคนนะทุกคนร้วนแต่มีส่วนช่วยกั น, นช่วยกันสร้างวัดแล้วก็สร้างธรรมะในใจของเราให้ได้ตัวนี้สำคัญที่สุด ะ, ะเชิญกลับบ้าน นี่ประโยคสุดท้ายของหลวงพ่อนะไม่ว่าอยู่ที่ไหนเชิญกลับบ้าน